มีธุระการงานสำคัญข้างนอกก็ควรจะให้ความสำคัญทางด้านจิตใจก็คืออาหารใจอาหารใจอาหารกายอาหารกายคื อ, คอเรา ส, สแวแสดิ์าทรัพย์อาหารใจก็คือสแสวงบุญและกวันนี้เป็นวันที่พออลำเพยกับญาติพี่น้อง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 ที่เท่าที่ว่าทําบุญเปิดโลกธาตุนั่นก็คือทําบุญยกประเด็นของโยมแม่ของท่านเป็นวันทําบุญจากนั้นก็อันก็สงเคราะห์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกแต่อง์โลงตาท่านบอกทำบุญเปิดโลกธาตุถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังราลึกถึงพระคุณบิดามารดา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 ถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปพ่อแม่ถึงจะผ่านไปมรณะภาพไปแต่คุณงามความดีและ ว, ว่าสิ่งที่มรดกที่ท่านมอบให้กับเรายังอยู่กับเราอยูนะ่มรดกที่สำคัญคืออะไรที่พ่อแม่มอบให้มรดกที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายของเรา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 ถ้าคิดให้ไกลแล้วก็นะ่มะมรดกของพ่อแม่อยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วเราจะเอามรดกของท่านไปแ ส, สวงหาทรัพย์อย่างไรไปหาทุนอย่างไรจึงจะงอ่อเกยเมื่อได้ทุนแนละทรัพย์ขึ้นมาแล้วก่อนนะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นกําไรก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน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 แล้วก็เทวดาแล้เทวบุตรที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงถึงสามเดือนพระพุทธเจ้าไปโปรโดพระมารดาถึงสมเดือนในพรรษาหนึ่งในพรรษาสี้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรโดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นท่านจึงได้เสด็จลงมาสู่เมืองมนุษย์ที่บอกวันตักบาทเทโวเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่เมืองโลกเมืองมนุษย์นี่แหละสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าถึงท่านจะได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ยังไม่เคยลืมพระคุณ ข, ของบิดามารดาของพระองค์ท่านเพราะนั้นพวกเรา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 สยามภูรู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันนี่ที่ท่านได้ตัดสู้ก็ว่าจุตูตตปะปาแต่ญานการจุติกา ร, การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ว่าคนคนนี้มาเกิดอย่างนี้เพราะบาปกรรมอะไรเพราะบุญอะไรอั น, นี้สงอะไรได้ทำคุณงามความดีไว้อย่างไง เขาจึงได้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างนี้แต่คนนี้ทำไม่พิโกงพิการแล้วยังไม่แล้วยังหูหนวกตาบอดอยังมีอุปสรรคนานับปักการจนรับไม่ไหวเขามีกรรมอะไรที่การกระทาของเขาเพราะพระทุทธเจ้าท่านมองรู้หมดเพราะท่านรู้จุตูปปาตยานท่านใญานขึ้นมาญาณทัศนะขึ้นมา การตุติและการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายใช้กรรมยังไงกรรมดียังไงกรรมชั่วยังไงคําว่ากรรมคราวนี้เป็นคํากลางๆนะบวกว่าชั่วดีตอนนี้ยังเป็นจึงว่ากรรมดีแปลว่าเป็นกุศลเป็นมีความสุขกรรมชั่วแสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีมีแต่เรื่องทุกข์กรรมชั่วกกรรมดีคือสิ่งที่ดี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 ที่จะเป็นพระอินทร์ได้ต้องทาบุญเกี่ยวกับสาธารณชนสาธารณกุศลสาธารณมนุษย์ต้องการอะไรคนคนนั้นจะเป็นผู้เสียสละให้กับคู่คนทั้งหลายสักอย่างมัคคมานพท่านก็ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยมัคคมานพเป็นชาวชนบทก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอินทร์ท่านสร้างบารมี ท่านก็ไปเห็นมีถ้ามีการมีงานมีมรหบมของรสบที่ไหนท่านจะไปยืนกับปัดปัดเอาเท้าหน่อยเกีย์เกียเกียให้มันสะอาดตรงนั้นพอท่านไปยืนอยู่ตรงนั้นคนทั้งหลายก็เห็นว่ามันสะอาดอกับเพื่อผักผักมัคคามานบออกเขาก็เข้าไปยืนแทนจอกนั้นมาอัปมัคคามานบกับ ทำให้กว้างขึ้นอีกคนทั้งหลายเกิดเข้าไปเยินอีกผักมักคคมมนกออกไปอีกมักคคัมมนกก็เออคนทั้งหลายนี่ชอบที่สะดวกสบายฮย่ากนั้นมัคคมมนกก็จะเป็นงานเป็นการที่ไหนมัคคมมนกจะต้องปัดกวาดทําทความสะอาดหาที่นั่งให้เขาด้วยต่อมาคนข้างหลายเกิดมาแย่งที่นั่งเอาให ไม่โกรธเลยมิตรดีใจอีกต่างหากเมื่อเขามาแย่งที่นั่งของตนเองฮะไม่แสดงอากัปกิริยาเลยมิตรยินดีให้เขาได้สะดวกสบายฮะจากนั้นก็คิดสร้างถนนเลยท่าสร้างสนามแล้วก็สร้างถนนพอสร้างถนนขึ้นมาก็มีหมูสมัครพักพวกเข้ามาถึงอคนทําความดีมันก็มีเหมือนกันนะคนทําความชั่วก็มีเหมือนกันประโลกนี้มันมีทั้งหมูมแมลง ผู้แมลงพึ่งมแมลงวันเขียวมแมลงวันทองอะไรมันก็เป็นหมู่ของใครของเรานะีนะ่ยน่ะอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีก็มีหมู่มีเพื่อนอีกเหมือนกันเห็นว่าเออเขาทำถนนทำถนนหนทางเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์พอทําขึ้นมาเนี่ยจะมีคนอิจฉาเหมือนกันนะเนะี่ยคนอิดชามเขมียุกอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยอีกเหมือนกันนะั่นแหละ ว่าเอมัคคมารุเนี่ยมันทําอันนี้มันรวมมวลชนเข้ามาเนี่ยมันคงจะปฏิวัติอะไรสักอย่างหนึ่งแหละมันจึงทําแบบอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีใครรู้เนี่ ย, ยจากนั้นเจ้าเมืองก็เลยเนี่ยคำว่าปฏิวัติหรือว่าแข็งข้อหรือว่ารวมมวลชนเนี่ยมันไม่เป็นที่สบายใจของผู้ใหญ่ในแผ่นดินครับเรียกมันมาสิมัคคะมารุ มาเรียกก็าถามว่าทำไมแกทำยังไงทำไมรวมมวลชนทำถนนหนทางทาไปเพื่ออะไรคิดเพื่ออะไรมรคคานพนกอธิบายให้ฟังข้าพระองค์ไม่ได้คิดอะไรมีแต่อยากจะูช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่เออถ้าเป็นลักษณะนี้เอ้าเอาช้างให้ตัวหนึง่งแต่นี้มรคคมนกมีทั้งหมดมีอยู่สามสิบสองคนบริวารหมู่เพื่อน ก็มีเอาช้างให้ตัวหนึ่ง เ, เพราะว่าจะบางทีขอนไมใ้ใหญ่ๆนักๆจะได้ช้างทัานจะได้ช่วยลากดึงออกจากถนนหนทางเนี่ยท่าน้มรรคมนุษย์ก็เป็นหัวหน้าเลยพัฒนาไปเรื่อยจนถนนหนทางในหมู่บ้านในชุมชนนั้นเนรู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นมาเพราะมีคนทั้งสามสิบกว่าคนเป็นคนทำเลจากนั้นคิดใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ย mm. ถ้าเรามีศาลาชุมชนสักหลังหนึ่งคงจะดีฮะคืดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจากนั้นก็ก็สร้างศาลาขึ้นมาอพอสร้างศาลาขึ้นมาทีนี้ก็เออบริเวณก็กว้างขวางคณะที่สร้างศาลาเยบอกว่าผู้หญิงเยไม่ให้ผู้หญิงมาใกล้ทั้งหมดให้แต่ผู้ชายพวกเนี่นะ้มีแต่ผู้ชายผู้หญิงมาแล้วเดี๋ยววงแตกเลยเออ ผู้หญิงก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะในครั้งสมัยก่อนนะเอเข้าไปวงไหนวงนั้นแตกเหมือนกันนะมคคะมานพไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้นะแต่มคคะมานพเนี่ยมีเมียอยู่สี่คนนะท่านี้ี่อคล้ายๆกับมีแฟนอยู่สี่คนคงจะเป็นบุคคลสําคัญอยู่นะคนเห็นด้วยชื่อนางสุธรร ม, มานางสุจิตตานางสุนันทานางสุชาดาเนะีชื่อของมคคมานพเมียของ มขามานพนะจากนั้นมขามานพเนะี่ยไม่ให้ไม่ให้ผู้หญิงมาไกลให้แต่ผู้ชายจากนั้นนางสุธรรมมาเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรเนาะที่สามีของตนเองไปสร้างศาลาขึ้นมาแล้ว น, ะนางก็ทไปแอบทำป้ายขึ้นมาเนะพอทำป้ายขึ้นมาป้ายสวย ชื่อว่าสาลาสุธรร ม, มาะอีกคนหนึ่งบอกว่าออน่าจะมีช่อฟ้าขึ้นมานางคนหนึ่งนะอานางสุจิตตาเนี่น่าจะมีช่อฟ้าจะสวยมากนะทําำนักทําขึ้นมาอีเออแต่คนทั้งเอกเราน่าจะทําสวนใครเข้ามาก็จะได้ดูแลสวนอาบน้ําขึ้นมาแล้วก็จะดูต้นไม้ ดูสวนดอกไม้ชมสวนดอกไม้น่าจะดีฮะนางสุนันทาเนี่ยเป็นคนคนคิดขึ้นมานะแต่นางสุชาดาเนี่ยเอ้ยข้าเป็นแฟนของมรคมานบแล้วเอคล้ายๆว่ามรคมานกน่ะรักเมียน้อยเนี่ยมากกว่าใครอื่นว่างั้นเถอะนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนางสุชาดาเนี่ยชอบแต่งตัวอยู่ตลอดสวยงามเลยเออเ <c oughs> มียมรคมานพเล อันนี้หลวงพ่อพูดตามนิทานนะใครใครให้ฟังเอาไว้ทนะั้งน่ะเนี่ยนินิทานเป็นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดตามนิทานจะพูดกระโดกกระเดกก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยนิทานเป็นมาอย่างไงก็พูดตามนั้นเองจากนั้นกับนางสุธรรมมาเนี่ยก็ประกาศบอกหาคนไปพูดน่าย่ายจะเอาแผนป้ายไหมเออเอาเอามาทูเสีย มาแข่งกันอีกแต่เนี่ยนางสุตามาเนี่ยทําได้สวยเออเอาได้ๆเอาใสาเข้าไปเลยชื่อชื่อสุธรามานะไอ้ทั้งนั้นก็นางจกยกโซฟาเนี่ยก็ทําอีกทำโซฟาได้สวยแข่งกันอีกเขาก็ยกให้อีกอา้าวนาง ส, าสุจิตาเนี่ยเนี่ยครับพามทำนางสุนันทานเนี่ยก็ขอทําสวนแต่ไม่ไม่ใช่ตัวเองเข้าไปทํานะให้คนบริวารเขาไปทําพวกคนผู้ชายเนี่ยเขาไปทํอาอแต่เงินทุนทรัพย์ของตนเอง เป็นคนออกหัวเป็นคนจัดการทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ก็คงจะเขียนแผนที่ให้นะเขียนแปลนไวนะ้น่ะควรจะทำยังไงควรจะทำยังไงลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นก็นางสุชาดาก็ไม่ได้ทำอะไรนะมีแต่แต่ง ต, ต, ตัวสวยงามตนเองนะเหมือนแฟนของข้าทำก็เหมือนกับข้าทำนางคิดอย่างนั้นไล แต่เราไม่ได้คิดนหลักของพุทธศาสนาเนี่ยใครกินก็ใครอิม่มฮะกินต่างกันไม่ได้ใครสร้างบุญคนนั้นก็ได้กาอนุโมทนาสาธุเออเป็นเงินมรดกหรือเงินก้อนเดียวกันทำมาค้าขายือออันนั้นได้อีกส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นความคิดของแต่ละคนกำลังแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวกันจากนั้นก็พอต่อมากนาง สุจิตตานางสุธรมมากษาลาขึ้นมาโอ้ฉลองใหญ่เลยท่านพวกบริวารมัคามานกเป็นฉลองใหญ่จากนั้นก็ต่อมาก็อายุสังขารก็โร่งรวยไปตามอายุสังขาพรพอท่านเวลาเกิดพอท่าขึ้นไปเนี่ยมัคามานก็เลยขึ้นไปเป็นพระอินทร์บนสวรรค์อเนกสง์การทําสร้างศาลาสร้าง เออพิกที่พักพาอาศัยสาธารณะประโยชน์เออช้างตอนนั้นก็ขึ้นไปเป็นช้างเอราวัณช้างสามหัวเนี่ยจากนั้นก็เทวบตรทั้ง32มสิบสคนเออขึ้นไปนั่นอ่ะไปเกิดจุบนสวรรค์ชั้นดาววัดึงแต่นางสุจิตานางสุนันทา น, นางสุธรรมาน่ยขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แต่นางสุจิตาเนี่ยขึ้นไม่ได้ เออเพราะไม่ได้สร้างบูญณอะไรเลยใจากนั้นนานี่ไปเกิดเป็นนกย่างบ่เนี่ยไปคนละทางกันเนี่น่แหละกรรมจำแนกสัตว์เนี่ยทั้งที่พระอินทร์ขึ้นบนสวรรค์อนางนางจูดชาดาเนี่ยไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในริมหนองหนองน้ำํำไงนกย่างนกกระยางขาว่แต่นี้พระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์ขึ้นมาเออพวกเราขึ้นมาหมด เทวบททั้งส2คนช้างเอราวันก็ขึ้นมานางสุนันทาสุจิตตานางสุธรรมมาขึ้นมาหมดย่างเหลือแต่สุชาดาเนี่ยทำไมหายไปไหนวะเนี่ยคือยอดคือภรรยายอดที่รักของพระอินทร์เหมือนกันเถ อ, เอะทีเทียก็มองไปมองมาเอ๊ไปที่ไหนนาพอมองดูบุพกรรมแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ริมหนองน้ำนยอยู่ในกลางโคกที่ทางหากัก น้องแห้งแห้งอีกต่างหากไล่หาจิกตะ ก, กระแตนตัวนั้นตัวนี้กินอีกต่างหากมาน้องมันแห้งใช่ไหมพระอินทร์มองเห็นแล้วโอ้ตายนางสุชาาไม่มีส่วนร่วมเดี๋ยวเราจะลงไปจะกนั้นพระอินทร์ก็ลงไปจําแรงเป็นเป็นมัคคามานบนะก็เลยจําแรงลงไปบอกว่าเอ้ยสุชาดาแก่ได้เป็นนกจะแล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์ไหมไปชมสวรรค์ไหม นางนี่ก็ยังไม่เคยเห็นสวรรค์เนี่ยไปอยากจะไปไปฆ่าเพื่อนนกยางว่านะไปอินก็เลยอุ้มนกยางตัวนั้นขึ้นไปขึ้นไปบนสวรรค์พอไปเห็นนางสุธรรมมานางสุจิตนานางสุนันทาแล้วแต่นี่เห็นพวกนั้นพนนก็เยอะแยะเลยเฮ็ดทาตาหวานตาส้มใสเช่นนั้นนกกรยางตื้มกระอายเลยแต่นี่ยเอเพราะมันเป็นเป็นนกใช่ไหมลนะ่ะพวกนั้นเป็นเทวดาใช่ไหม นางก็ก้มหน้าอยู่ตลอดนางจูชาดานกยางตัวนี้โอ้ยขอดิฉันลงไปอยู่ที่เก่าเทินเหมือนันถึงอยู่ที่นี่ก็มีความสุขก็จริงอยู่แต่มันทุกข์ใจเหงือนพอพกทั้งสามนางมันเป็นเมียของมรคมาดรบันเยอะใหญ่เท่าไงดูถูกอ ย, อยู่โดยในเหนนนางก็ทีนี้นางจูชาดานี่นก็เลยขอลงมากลับมาที่เก่าเทิน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 ขึ้นมาบนสวรรค์นางสุชดาก็ยินดีปฏิบัติตามเลพระอินก็ส่งนกกระยางตัวนั้นลงมาที่ไว้ที่เก่านกกระยางตัวนั้นก็ไม่กินสัตว์อะไรสัตตัวไหนที่มันตายเจ้าก่อนยังกินถ้าสัตว์ตัวไหนไม่ตายมันก็ไม่กินตีนี้พระอินทลงเอานกกระยางเนี่ยมันจะรักษาศีลจริงหรือเปล่านะนะพระอินทดลองเอย พระอินทร์จะทำท่าเป็นเป็นเขียดใช่ไหมเนีเป็นเขียดกระโดดจักยักยักไปซักต่างๆแต่รัก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันก็ตายใช่ไหมเขียดตายนางนกกระยางตอนมันกระิ่งดุดุดุไปมันเไปมันก็เอาจะงอยปากเขียดๆดูไอ้เขียดตอนั้นมันกระทำท่ากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนกกระยางตอนก็ไม่กินฮะไม่กินเพราะมันยังมันยังไม่ตายฮะพระอินทร์ก็เลยขึ้นมาบนสวรรค์อื้อใช่นกกระยางมันรักษาสิทจริงว่ะ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 ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ก็เลยครบเลยครบทั้งสี่นี่แหละนางสุชาดาขึ้นเป็นคนจุดท้ายที่พระอินทร์เมตตาอันนี้แหะคือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นมาในพระไตรปิฎกได้ไม่ใช่ประลัมปรานิทานเรื่องนี้นะหลวงพ่อได้ฟังฟังหลวงพ่ออื้อเป็นสิ่งที่น่าคิดสรุปแล้วก็คือพระอินทร์ผู้ที่จะเป็นพระอินทร์ได้ต้องทําสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางความโกรธไม่มีในใจพระอินทร์ในขณะที่ทำสร้างบุญสร้างกุศลความโลภความโกรธความหลงพยายามให้อยู่นอกใจของของผู้สั่งสมบารมีนี่แหละนิทานหรือว่าชาดกลวนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสั่งสมบารมีการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ คนนั้ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้สั่งสมสร้างบุญสร้างกุศลการที่จะสร้างที่พักพาอาศัยกบร้อนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราปาฏนาบุญกุศลถ้าทําอะไรก็ตามพอทําแล้วก็ฟัดเกลเฟียดน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าหงีกหน้างอนไปเกิดอยู่บนสวรรค์มีทิพย์วิมานมีทิพย์วิมานก็ไปเกิดเปิดเป็นยักษ์แล้วพวกเนี่ยเปิดเป็นยักษ์หน้าบูดหน้าเบี้ยว เหมือนกับยับอยู่หน้าวัดสิมวงวาดอย่างนั้น่ะเห็นไหมถือตะบองเท่ากันนะเขี้ยวก็งอกอีกต่างหากหน้าก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนตาเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอยู่แต่ว่าจิตใจอารมณ์โทสะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกห ล, ลานทุกคนนะการที่จะสร้างสังสมบุญกุศลต้องใจดีต้องใจเย็นต้องใจมีเหตุมีผลนั่นะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตจูใจ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 ถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นไม่เห็นแต่เลือดร้อนไขมีแต่ความยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชาในชุมชนทั้งหลายที่เราสร้างคุณงามความดีน ะ, ะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอ